วัจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิบสองข้อสถึงยี่สิเจ็ความว่าเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะถ้าเท้าจะพูดว่าเพราะข้าพเจ้าไม่ได้เป็นมือข้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั้น เท้าจะไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนั้นก็หาไม่ได้ถ้าหูจะพูดว่าเพราะข้าพเจ้าไม่ได้เป็นตาข้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั้นการพูดเช่นนั้นจะทำให้หูไม่เป็นอวัยวะของร่างกายก็หาไม่ได้ถ้าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าร่างกายเป็นหู การดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนความจริงอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันและตาจะว่าแก่มือว่าข้าพระเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้หรือศีรษะ จะว่าแก่ท้าว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้ที่จริงอาไว้วะที่เราเห็นว่าอ่อนแอเราก็ขาดเสียไม่ได้และอวัววะที่เราถือว่ามีเกียร์น้อยเราก็ยังทำให้มีเกียร์ยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ไม่น่าดูนั้นเราก็ทำให้น่าดูยิ่งขึ้นเพราะว่า อวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกันทรงให้อวัยวะที่ต่ำต้อยเป็นที่นับถือมากขึ้นเพื่อไม่ให้มีการแข่งแย่งกันในร่างกายแต่ให้แต่ให้อวัยวะทุกส่วนพวงซึ่งกันและกันถ้าอวัยวะหนึ่งเจ็บ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคิดและต่างก็เป็นอวิวะของประกายนั้นโอกาสเผยพระวจนะหัวข้อหลากหลายในกายเดียว เมื่อสำนักพระราชวังประกาศเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศ ร, รามาธิปดีจั ก, กรีเนร บ, บดินทรสยามบินทราธิราชบรมนาถบพิษสวรครคตผมคิดว่าเราทั้งหลายที่นั่งในที่นี้ตลอดจนพระศกนิกกรประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ ต่างก็เศร้าใจเราเน่าว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งนำพาความทุกข์ใจความโศกเศร้าใจมาสู่ตัวเราโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารถูกส่งต่อกันอย่างรวดเร็วการรับรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์ทางโทรทัศน์ก็ดี ทำให้เรามีโอกาสได้ทราบเรื่องราวดีๆที่ในหลวงของเราได้ทรงกระทําตลอด70ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการหลวงสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทํามาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่เผื่อแผ่ไปสู่ชุมชนสู่ชนบทตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน จนกระทั่งมีคำกล่าวว่าไม่มีที่แห่งใดในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยย่างพระบาทไปถึงการช่วยเหลือพระสงฆนิกรเรื่องหลายๆเรื่องผมไม่เคยได้ยินไม่เคยทราบมาก่อนผมแต่ผมคิดว่าในช่วงเวลาในช่วงเดือนหนึ่งหรือสามสิบวันในเวลานี้พี่น้องจะมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราว สิ่งดีๆที่พระองค์ได้ทุ่มเทได้อุทิศได้เสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยและเนื่องจากพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่คนไทยรักและเคารพดังนั้นในช่วงเวลานี้ทุกคนก็ยังอยู่ในความเศร้าโศกเวลาเราอยู่ด้วยกันอาจจะยังเราอาจจะยังคุยเรื่องอื่นเราอาจจะดําเนินชีวิตตามปกติ แต่เมื่อเวลาเราอยู่คนเดียวตามลำพังดูโทรทัศน์ดูพระราชกรณีรยกิจที่พระองค์ท่านทำผมเชื่อได้ว่าเราจะรู้สึกตื่นตันใจรู้สึกเสียใจแต่อีกในใจหนึ่งเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นสิ่งต่างๆที่ท่าน ทำที่พระองค์ท่านทำและเกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อแผ่นดินไทยและเมื่อวานและเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันที่พระสงฆนิกรได้เรียกียกว่ามืดฟ้ามวดินนะครับมีโอกาสได้มาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีนะทองสันามหลวงนะครับหน้าบ ร, บริเวณพระบรมพระบรมมหาราชวังนะครับ สิ่งที่ทําก็เพื่อจะน้อมระลึกถึงประมากรุณาที่คุณและร่วมถวายความอาลัยในหลวงรัชการที่เก้าของเราเป็นการแสดงออกถึงความรักที่คนไทยมีต่อพระองค์ท่านภาพที่เราเห็นก็คือการร่วมแสดงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและที่เราจะเห็นหลังจากนี้ต่อจากนี้เป็นต้นไปก็จะเห็นการที่เมื่อประชาชนคนไทยคลายความโศกเศร้าแต่ สิ่งดีที่ยังตรึงตราตึงใจครับจะสามารถแสดงออกมาเป็นการกระทำนะเป็นการทำความดีร่วมกันทำความดีหลากหลายสาขาตามสิ่งที่เราสามารถจะกระทำได้นะครับเพื่อเป็นการร่วมสืบทอดปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบระโมโกศต่อไปเบื้องหลังของพระม พ, พติตอนนี้เช่นเดียวกันครับอาจารย์เปาโลกาลังกาชับคริสเตียนชาวโคริน ให้ดำเนินชีวิตในความมีวินัยและที่สำคัญก็คือการคงไว้ซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหลังจากที่พี่น้องชาวโครินมีโ อ, อกาสได้มารู้จักกับพระเจ้าต้อนรับพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงอาจารย์เปาโลดีใจอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตเขาเหล่านั้นที่เปลี่ยนแปลงแต่หลังจากนั้นไม่นานคาพูด บางอย่างการกระทำบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนชาวโคลินในการที่เห็นว่าตัวเองมีของประธานพิเศษเป็นคนที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่คนที่ไม่มีของประทานกับกลายเป็นคนที่ดูเหมือนจะไม่ใช่คริสเตียนแท้สิ่งต น, น้า น, นี้นำมาซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอาจารย์เปาโลได้ให้คำปรึกษากับพี่น้อง ครียนชาวโคลินที่เขียนจดหมายมาถามท่านมาขอคําปรึกษากับท่านอาจารยเปโอลได้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตเรื่องการดําเนินชีวิตของเขาและปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นในคริสตจักรและที่สําคัญคืออาจารย์เปโอลกาลังสอนเขาให้เข้าใจถึงหลักปฏิบัติเรื่องของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งปรากฏอยู่ในหนึ่งโคลินที่สสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่ ก็คือการที่เขาเติบโตขึ้นและมีความเข้าใจและซาบซึ้งโดยเฉพาะคริสเตียนนะครับเขาจะซาบซึง้งจะเข้าใจในร่างกายฝ่ายวิญญาณของตัวเองว่ามีการพัฒนาขึ้นครับมีการทำในทตามในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้านั้นคือการเติบโตที่เราเห็นจากความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ และเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคิดเราจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคิดมากขึ้นอาจารย์เปาโลจึงยกตัวอย่างคริสตจักรกับร่างกายโดยเปรียบคริสตจักรเป็นร่างกายของคนเราท่านให้ท่านใช้ร่างกายมนุษย์เป็นตัวอย่างในการที่จะอธิบายปัจจัยความหลากหลายในกายเดียวซึ่งจะเป็นหัวชอะหัวข้อเทศนาในเช้านี้ อวัยวะในร่างกายแต่ละส่วนที่เราได้ฟังได้เห็นจากที่ผู้นำได้อ่านไปจะเห็นว่าอาวัยวะแต่ละส่วนต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อร่างกายจะสามารถดำเนินดาเนินต่อไปได้และอวัยวะแต่ละส่วนที่แตกต่างกันนี้เองทำให้เกิดความหลากหลายในร่างกายและภาพความหลากหลายในร่างกายนี้เองที่จะเป็นบทเรียนสอนเราในเช้านี้ แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันขอเราร่วมใจกันในอิฐานอีกครั้งนึงพระเจ้าพระบิดาครับองค์ทั้งหลายสารรเสริญและโมทนาพระคุณพระองค์ที่ยังคงมีเพียงพออยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณพระองค์สําหรับเช้า ว, วันนี้ที่ข้าพระองคทั้งหลายจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาประทานความเข้าใจให้กับ ข้าพระองค์ทุกคนที่จะสามารถนำสิ่งที่พระเจ้าสอนในจิตใจของข้าพระองค์แต่ละคนที่จะสามารถถูก ป, ปรับใช้ไปประยุกใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อจะเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นจึงขอมอบเวลาต่อแต่นี้ไปไว้ในการทรงนำของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งกราบทุนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสิ่งที่เราเห็นจากความหลากหลายในกายเดียวประการแรกก็คือทุกอวัยวะต่างก็มีความสำคัญปรากฏอยู่ในข้อ15ถึงข้อ17ที่กล่าวไว้ว่าถ้าเท้าจะพูดว่าเพราะข้าพาเจ้าไม่ได้เป็นมือข้าพาเจ้าจึงไม่ได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั้น เท้าจะไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนั้นก็หามิได้ถ้าหูจะพูดว่าเพราะข้าพเจ้ามีได้เป็นตาข้าพเจ้าจึงมีได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั้น<ๆ>การพูดเช่นนั้นจะทำให้หูไม่เป็นอวัยวะของร่างกายก็หามิได้ถ้าอาวัยวะทั้งหมดในร่างกายเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าทั้งร่างกายเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหน อวัยวะส่วนไหนของร่างกายที่พี่น้องคิดว่าสำคัญที่สุดและเพราะอะไรที่พี่น้องคิดว่าอวัยวะส่วนนี้สำคัญที่สุดลองคิดในใจนะครับเพราะในความหลากหลายของอวัยวะที่พระพีสามข้อนี้ได้พูดถึงได้บ่งชี้ว่าอวัยวะแต่ละส่วนต่างก็มีความสำคัญเฉพาะทางต่างต้องทำหน้าที่ ที่ถูกกาหนดไว้โดยไม่สามารถทําหน้าที่ทดแทนกันได้ที่น้องคงทราบโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เขาเรียกสโตรกนะครับหมายถึงโรคหลอดเลือดสมองที่มีการตีบตันหรือแตกอย่างเฉียบพลันทําให้การไหลเวียนของเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองสมองส่วนนั้นหยุดชะงัก ส่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอยู่รอบๆตัวเราเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเกิดขึ้นกับสมาชิกในคริสตจักรสำหรับผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงสำหรับผู้ที่เป็นคอเลสเตอรอลนะดูแลสุขภาพนะครับให้เราเห็นว่าอวัยวะแต่ละส่วนนะครับ มีความสําคัญทังทิศเส้นพระเจ้าสร้างมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดอวัยวะแต่และส่วนมีความสําคัญต่อร่างกายฉันใดเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราทั้งหลายก็มีความสําคัญต่อคริสตจักรของพระองค์ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าร่างกายมนุษย์มีอวัยวะสามสิบสองส่วนมีอวัวะหลากหลายที่ทําหน้าที่ผสมผสานสอดคล้องกัน คริสตจักรของพระเจ้าว่าเช่นเดียวกันพระกายของพระองค์ก็คือเราทั้งหลายที่เป็นสมาชิกโดยมีองค์พระเยซูคริสต์เป็นศีรษะและเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตแล้วพระเจ้าประทานพระวิญญาณเป็สุดให้เรามีของประทานจากพระเจ้าอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะครับลองสํารวจ ด, ดูนะครับสิ่งใดก็ตามที่พี่น้องทําออกมาและมีความรู้สึกมีความสุ ข, สขนะครับทำแล้วคนอื่นข้างๆรอบๆตัว ยิ้มแย้มรู้สึกเป็นพระพรนะครับสิ่งนั้นอาจจะเป็นของประทานของท่านนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านไม่ได้ทําอะไรออกมาเลยนะครับก็ยังไม่สามารถทราบได้ว่าท่านมีของประทานอะไรดังนั้นนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการรับใช้และการเป็นพยานหนุนใจทุกท่านนะครับที่จะมีโอกาสทําสิ่งดีออกมาครับทำบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดประโยชน์ต่อคนรอบข้างต่อคริสตจักรของพระองค์ ผมอยากให้เรานึกถึงภาพจิ๊กซอนะครับจิ๊กซอวีน้องกขคงเคยต่อนะครับภาพจิ๊กซอนะครับทุกๆภาพนะครับต่างก็มีความสมบูรณ์แบบหลังจากที่เราต่อจนครบแล้วแต่เมืเ่อใดก็ตามที่ชิ้นหนึ่งชิ้นใดขาดหายไปภาพนั้นก็จะไม่สมบูรณ์และอาจจะไม่สามารถนำมา ใส่กรอบตั้งโชว์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกชิ้นของภาพจิตรศลรวนแล้วแต่มีความสาคัญพระเจ้าต้องการให้เรามองดูตัวเราอย่างที่พระองค์ทรงมองเพราะเราแต่ละคนนะครับเราถูกสร้างอย่างมีเอกลักษณ์นะครับเฉพาะตัวของเราไม่มีใครเหมือ น, นครับแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับเราก็ไม่เหมือนใคร เป็นเร้ย่างเต็มที่ก็จะคล้ายๆกันพระเจ้าสร้างเราอย่างมีวัตถุประสงค์และที่สำคัญที่สุดก็คือเราทุกคนต่างก็มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีสักคนเดียวที่ด้อยไปหรือแตกต่างไปนะครับเราทุกคนมีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพี่น้องมั่นใจนะครับขอพระเจ้าช่วยผมและพี่น้องที่อยู่ด้วยกันในที่นี้ ให้เราไม่เพียงแต่เห็นคุณค่าในตัวเรานะครับแต่ให้เราที่จะเห็นคุณค่าในคนรอบๆข้างเราด้วยเช่นเดียวกันเห็นถึงความสำคัญของเราทุกๆคนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทำได้คนเดียวร่าทุกคนสามารถทำในสิ่งดีได้นะครับให้เห็นถึงความสำคัญว่าพี่น้องเราทุกๆคนนะครับที่เราอาจจะพรอที่นั่งอยู่ในเช้าวันนี้ก่อนก็ได้นะครับ ว่าถ้าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของภาพภาพหนึ่งนะครับถ้าในเวลานี้ภาพนั้นจะสมบูรณ์เพราะเราทุกคนนั่งอยู่ในที่นี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราหายไปนะครับไม่มีเราอยู่ในภาพนะครับภาพนั้นก็ไม่สมบูรณ์ครับคริสตจักรของพระเจ้าเช่นเดียวกั น, นครับนะครับเราไม่สามารถที่จะขาดคนใดคนหนึ่งไปได้ครับถ้าเราเรียนรู้สิ่งนี้ว่าหลังจากที่เรา มาเชื่อพระเจ้ามารับบัพติศมามาเป็นสมาชิกคริสตจักรแล้วสิ่งที่จะทำต่อไปครับมันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วเราในสุดแล้วเนี่ยเราก็จะผูกพันแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะขาดออกไปจากพระกายของพระคิดนี้ได้นะครับสิ่งที่เราเห็นจากความหลากหลายในกายเดียวประการแรกนะครับทุกอวัยวะต่างก็มีความสาคัญสิ่งที่เราเห็นจากความหลากหลายในกายเดียว ประการที่สองทุกอ ว, วัยวะสามารถเสริมสร้างกันปรากฏอยู่ในข้อ21ถึงข้อ26ที่กล่าวไว้ว่าและตาจะว่าแก่มือว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้และศีรษะจะว่าแก่เท้าว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้ที่จริงอ ว, วัยวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอเราก็ขาดเสียไม่ได้และอ ว, วัยวะที่เราถือว่ามีเกียรติน้อย เราก็ยังทําให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ไม่น่าดูนั้นเราก็ทําให้น่าดูยิ่งขึ้นทรงให้อวัยวะที่ต่าต้อยเป็นที่นับถือมากขึ้นเพื่อไม่ให้มีการแข่งแย่งกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะทุกส่วนพวงซึ่งกันและกันถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วยถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วย รัมภีตอนนี้พูดถึงอวัยวะแต่ละส่วนที่รั่วแล้วแต่มีความจำเป็นในร่างกายของคนเราไม่สามารถที่จะขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งได้อาจารย์เปาโลจึงหนุนใจผู้ที่รู้สึกว่าตนเองอยู่เป็นคนเล็กน้อยไม่มีค่าไม่มีความสำคัญต่อกลุ่มก้อนไม่มีความสำคัญต่อผู้อื่นให้มั่นใจครับให้มั่นใจว่าตัว เขามีคุณค่าแล้วก็มีดีพอที่จะสามารถจะไปหนุนใจแล้วก็ไปเสริมสร้างคนอื่นได้เช่นเดียวกันเราทุกคนสามารถทําได้นะครับเราทุกคนสามารถที่จะหนุนใจและเสริมสร้างกันและกันไม่เพียงเท่านั้นอาจารย์เปาโลยังเตือนสติคนที่ชอบอวดตัวเรื่องของประทานที่หลงคิดว่าตนเองสําคัญคนอื่นสิ่งนี้มีวัจะนะหลายตัวหลายตอนนะครับ ที่ให้สอนว่าให้จัดทอมตัวนะครับเห็นผู้อื่นถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวนะครับเพื่อไม่ให้มีการแบ่งพักแบ่งพวกหรือแก่งแย่งชิงดีกันแต่ให้อวัยวะทุกส่วนพวงซึ่งกันและกันและที่สำคัญคือการอยู่เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นอยู่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือตวีไสทั์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่พระองค์ทรงพระราชดำเนินสเสด็จพระราชดำเนิ น, นครับที่ตำหนักภูพิงพราชนิเวศ น, นะครับน่าจะประมาณปีพศ2512นะครับในสมัยนั้นพระองค์ท่านก็เดิน เดินดูโดยรอบนะครับรอบตําหนักก็ไปพบกับพี่น้องชนเผ่าพี่น้องชาวเขาคนระับซึ่งในเวลานั้นยังมีการปลูกฟินอยู่นะครับปลูกฟินเป็นอาชีพครั บ, รบขายขายได้แต่ก็ยังยากจนอยู่นะครับเกิดผลไม่ดีมากมายนะครับต่อประเทศในเวลานั้น หลังจากนั้นมาโคร ง, งการหลวงจากการที่พระองค์ทรงพรงท่านเสด็จพระราชดําเนินและมีการได้พูดคุยกับชาวเขาถามถึงสิ่งที่ทําอยู่การดําเนินชีวิตประจาวันและพระองค์ท่านก็จะนําสิ่งดีมาให้นะครับจะนําเมล็ดพันธุ์มาปลูกหาตลาดให้จึงกําเนิดมาเป็นโครงการหลวง ละโครงการหลวงก็เกิดขึ้นตามพระราชดำรัสสิ่งนี้เองไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ตามมาหลายๆอย่างก็คือการที่ฝินสําหรับในประเทศไทยคนระับไม่มีการปลูกฝิ่นกลายเป็นปลูกพืชเมืองหนาวนะครับปลูกพืช พืชผักเมืองหนาวและสิ่งที่ตามมาอีกอย่างก็คือการที่พี่น้องชนเผาที่เขาชอบทําไล่เลื่อนลอยนะครับเขาก็ย้ายหลักแหล่งไปเรื่อยเอยากจะปลูกพืชใหม่เขาก็เผาที่ครับแล้วพอปลูกเสร็จเขาก็ย้ายไปมันก็ตัดไม้ทาลายป่าเสียนาต่างก็ขนเสียมากมาย ในเวลานั้นนะครับแต่หลังจที่พระองค์ท่านได้เข้าไปแล้วมีอกาศได้เปลี่ยนแปลงบางสิบางอย่างนะครับความถูกต้องก็ตามมาการเพราะปลูกที่ไม่ถูกวิธีก็กลายเป็นถูกวิธีชนเผ่าก็มีหลักแร่งในการอยู่อาศัยนะครับและสามารถที่จะรักษาป่าไม้นะครับรักษาดินไม่เพียงแต่ป่าไม้รักษาดินให้เป็นประโยชน์ ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับประโยชน์อย่างดีที่สุดแล้วเราทั้งหลายซึ่งนั่งอยู่ในที่นี้เช่นเดียวกันครับเราเป็นพระกายของอุพเยสูคริสเป็นเรื่องง่ายครับที่เราจะมองผ่านหรือมองข้ามคนที่เราคิดว่าไม่อยากยุ่งด้วยไม่น่าจะเกิดประโยชน์ได้เราก็สร้างปัญหาเราก็ยิ่งมองผ่านเนี่ยมองข้ามไปเลยนะครับแต่บทเรียนที่กำลังสอนเรา ในเวลานี้ถึงการอยู่ร่วมกันการเป็นอวัยวะในกายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนที่อ่อนแอคนที่ไม่มีเกียรติคนที่ไม่น่าดูคนที่ไม่น่ารักคนที่ต่ำต้อยคนที่บาดเจ็บทั้งทา ง, งร่างกายและจิตใจที่อยู่ท่ามกลางความหลากหลายในคริสตจักรวัฒนาของเราในพระกายของพระเยซู เราสามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างได้เราสามารถที่จะไม่เพียงแต่หนุนใจและเสริมสร้างให้ผู้ที่ไม่มีเกียรติให้มีเกียรติผู้ที่ไม่น่ารักไม่น่าดูเราก็ดูอย่างที่พระเยซูดูเขาครั บ, รบเราก็จะทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาอ่ะมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้แต่มันยังมีพื้นฐานมีเบื้องหลังของ ครอบครัวหลายต่อหลายอย่างมันเป็นปัจจัยครับเราไม่สามารถจะมาตัดสินคนแค่ที่เราเห็นได้ถ้าเราช่วยกันร่วมกันทําผู้ที่ต่ําต้อยได้รับการยอมรับได้รับการนับถือผู้ที่บาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการเยี่ยมเยียนได้รับการหนุนใจสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งดี ทำให้พระกายของพระคริสต์สามารถที่จะแติบโตขึ้ น, น, นในที่สุดแล้วพระเจ้าก็จะได้รับเกียรติจากสิ่งที่เราทุกคนทําดังนั้นสิ่งที่เราเห็นจากความหลากหลายในกายเดียวประการสุดท้ายทุกอวัยวะทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติอยู่ในข้อสิบแปดและข้อยี่สิบเจ็ดที่บอกไว้ว่าแต่พระเจ้าได้ทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์ และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นปัญหาในสมัยคริสตศักร์เมืองโครินครับมาถึงสมัยปัจจุบันปัญหาที่ยังเกิดขึ้นในคริสตศักร์ก็ยังอาจยังจะเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกแบ่งเราแบ่งแยก ชนชั้นสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องอาจารย์เปาโลสอนในบทนี้ว่าเราทุกคนต่างต้องการกันและกันเพราะว่าพระเจ้าทรงตั้งพระไทยให้เรามีของประทานแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับคนอื่นคืออะไรเราดึงมาใช้อาจจะเป็นการตอบโจทย์ ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราจะทำจะสามารถสนับสนุนแล้วก็เกื้อคืคูนกันเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูในสมัยที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้ามาในพระวจนะตอนนี้พระองค์ได้ทรงตั้งอวัยวะในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงวางไว้ตั้งไว้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิด โดยบังเอิญถ้าเราสามารถอยู่ร่วมกันดาเนินชีวิตได้รับใช้ไปด้วยกันทาหน้าที่ที่สำคัญที่เราควรจะทำอย่างถูกต้องเพื่อที่จะเสริมสร้างกันและกันขึ้นในทางของพระเจ้าทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้สำเร็จตามที่พระวจนะได้บอกไม่เพียงแต่พระเจ้าจะได้รับเกียรติ มีคำถามที่ถามว่าทําไมการไปคริสตจักรจึงสําคัญพระอัมพีบอกเราว่าเราจําเป็นต้องไปคริสตจักรเพื่อนมัสการพระเจ้าเป็นอย่างแรกและฟังพระชนะของพระเจ้าร่วมกับผู้เชื่อค น, อ, นอื่นๆเพื่อจิตวิญญาณของเราจะเติบโตขึ้นอันนั้นเป็นลําดับต่อมาคริสตจักรคือสถานที่ที่ ผู้เชื่อทุกคนมารวมกันสามารถที่จะแสดงความรักเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทบาทแรกที่เราจะแสดงความรักต่อพี่น้องก่อนแล้วเราก็เป็นแสดงความรักนี้กับผู้คนภายนอกไม่เพียงแต่แสดงความรักเราสามารถที่จะพูดบางสีบางยาวออกมาและทําให้เกิดรอยยิ้มบนใบหน้าของอีกฝ่ายหนึง่ง กระตุน้นกันและกันในการที่จะทำสิ่งดีๆในการที่จะปฏิบัติกันรับใช้คริสต์สามารถที่จะสั่งสอนกันและกันได้ด้วยสั่งสอนตามพระเจนาของพระเจ้าสั่งสอนตามหลักการที่ถูกต้องให้เกียรติกันและกันแสดงเมตตาแสดงความเมตตาแล้วก็มีจิตใจที่เอ็นดูต่อกัน ดังนั้นเมื่อคนคนหนึ่งมาเชื่อและมาต้อนรับพระเจ้าในคริสตจักรของเราชีวิตเขาจะสามารถเติบโตไปในทางของพระเจ้าได้ก็จากการที่สมาชิกคริสตจักรร่วมกันทำสิ่งที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นและเขาก็จะ มาเป็นหนึ่งในริษศักดิ์ของเรามาเป็นหนึ่งในพระกายของพระคิดและดาเนินตามแบบอย่างตามรอยที่เราได้ทำให้เขาเห็นได้เขาเขาได้รับในทำนองเดียวกันผู้เชื่อจะไม่มีวันเติบโตฝ่ายวิญญาณได้ถ้าปราศจากการช่วยเหลือที่มาจากพี่น้องรอบๆข้าง ปราศจากการหนุนใจจากคนรอบๆข้างจากมวลสมาชิกดังนั้นจากเหตุผลที่ผมได้กล่าววันนี้การไปคริสตจักรที่ว่าสำคัญมีมากกว่าการที่เราจะไปนวัสการแล้วก็ไปฟังการเทศนาเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการที่เราจะมีส่วนร่วมในคริสตจักรการมีสามคีธรรมที่แท้จริงไม่ใช่จะเป็นผู้ฟังอย่างเดียวเราสามารถที่จะหนุนใจสามารถที่จะพูดในสิ่งที่เขาฟังและไม่เกิดความท้อใจดังนั้นการไปคริสตจักรการมาคริสตจักรของเรา ไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่ผมกำลังจะบอกกับทุกท่านแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนที่มาเป็นภักกายมาเป็นสมาชิกคุตกวัฒนามานมัสการเป็นประจำต่างจะต้องทำดังนั้นขอพระเจ้าช่วยผมและพี่น้องให้สิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้ไม่เพียงแต่อาทิ์นี้อาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์ถัดไป ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่เรารู้รู้ไว้เฉยแต่เป็นสิ่งที่เราขอพระเจ้าช่วยที่เราจะสามารถไปปรับใช้สามารถแสดงออกในการดำเนินชีวิต mm hmm. เพื่อที่จะเป็นถวายที่ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสรุปความหลากหลายในกายเดียวสิ่งที่เราเห็น ในความหลากหลายในกายเดียวก็คือทุกอวัยวะต่างก็มีความสาคัญทุกอวัยวะสามารถเสริมสร้างกันและกันและทุกอวัยวะสามารถทาให้พระเจ้าได้รับเกียรติขอพระเจ้าอวยพร